สปินดาปาตวักสิกขาบทที่หนึ่งหนึภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันบินทบาตโดยไม่เคารพต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันบินทบาทมองดูที่นั้นๆต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันบินถ้าบาดเจาะลงในที่นั้นๆต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันเฉพาะแกงมากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่5ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันบินธบาตขยุ่มลงแต่ยอดต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อไม่เป็นไข่ ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อมุ่งตำหนิมองดูบาตของภิกษุเหล่าอื่นต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อ ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่ส0บภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อทำคำข้าวยาวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎปินดะปาตวักที่สจบ